คนส่วนใหญ่ก่อกรรมในฐานะผู้ถูกกระทาน้อยนักที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยการริเริ่มเกื้อกูลก่อนหรือเบียดเบียนก่อนกรรมของคนส่วนใหญ่เกิดจากการถูกโลกเหนี่ยวนำหรือไม่ก็เกิดจากการโต้อตอบกับโลกในฐานะผู้ถูกกระทาเมื่อเกิดมาทารกถูกผู้เลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม จักนำให้เกิดความเห็นดีเห็นงามตามพฤติกรรมดีแล้วต่างๆเมื่อเริ่มโตขึ้นคนเราต้องโตตอบกับเรื่องน่าชอบใจหรือเรื่องที่ไม่ได้ยังใจแม้ถูกด่าทอยังไม่สมเหตุสมผลแม้ถูกเอารัดเอาเปรียบแบบหาความยุติธรรมไม่ได้แม้ถูกกระทําต่างๆนานาแต่ละคนก็เลือกที่จะโตตอบไม่เหมือนกันเริ่มจากมุมมองส่วนตัวว่า ยอมได้หรือยอมไม่ได้แล้วกลายเป็นความคิดบุ่มบามหรือการวางแผนโต้ตอบพัฒนาขึ้นเป็นการพูดการทำในทางเกื้อกูลกันหรือเบียดเบียนกลับน้อยที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยการรีเริ่มเกื้อกูลก่อนหรือเบียดเบียนก่อนและเพราะเหตุนั้นผลของกรรมที่ได้รับส่วนใหญ่จึงเป็นไปแบบเหมือนๆกันหลายๆตามกัน กรรมที่ทำให้มีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองตั้งเขาจะการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาประสาทะต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจที่จะริเริ่มคิดดีเองตั้งใจประกอบกุศลธรรมด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอใครชักชวนไม่หลงเชื่อการเป่าหูของฝ่ายอธรรมโดยง่ายเมื่อประกอบกุศลธรรมทั้งหลายจนชั่วชีวิต ชีวิตนั้นจึงเป็นกองบุญใหญ่สว่างสวยัยเปิดโลกใหม่ให้ชีวิตต่อๆมาได้ดีมีสุขมีปัจจัยบวกหนุนตั้งแต่เกิดนับแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทมิตรสหายหน้าที่การงานตลอดจนคนรักและครอบครัวที่สมบูรณ์เอื่อให้มีกำลังใจสามารถคิดเองพูดเองทำเองในแบบที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ชีวิตดีๆไหลามาจากความคิดดีๆทั้งในอดีตและปัจจุบันและความคิดที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่รู้ทางดีที่สุดที่เป็นไปได้จากกัลยาณมิตรเช่นพระพุทธเจ้าจึงสงวรกล่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือยอดแห่งกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือทั้งหมดของการประพฤติ ธ, ธรรม